ไว้ก่อนกันเขวเรื่องเก่าคำเก่าพระพุทธเจ้าสอนให้คิดใหม่ทำใหม่พูดถึงเรื่องที่ว่าชาวพุทธจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์จะทำอะไรอะไรก็ให้มีความรู้เข้าใจให้มองด้วยความรู้ให้มีให้ได้ความรู้ก็เลยขอพูดกว้างออกไปขอยกตัวอย่างสักหน่อย ที่เรียกกันว่าชาวพุทธเวลานี้มีอะไรหลายอย่างที่ทำตามๆกันไปว่ากันเรื่อยเฉยบางทีก็ทำไปแค่ตามความรู้สึกคิดได้แค่ที่ถูกความรู้สึกลากไปถึงเวลาจะต้องมาสะกิดใจนึกว่าเอ๊ะที่เราทำนั่นทำ น, นี้นั้นเรารู้เรื่องเราเข้าใจดีไหมเอาง่ายที่สุดเรื่องโสดมนอย่างพระมาเนี่ย ก็มีการสวดมนต์สวดปาฏิโมกเอ๊ะสวดมนต์นี้คืออะไรเราทำไปทำไมมีวัตถุประสองค์อะไรนะเรารู้เราเข้าใจไหมบอกแล้วว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้รู้ถ้าทำไปโดยไม่รู้ว่าไปตามความรู้สึกมันก็ไม่ใช่ไม่เข้าหลักแล้วคาว่าสวดมนต์นี่มาดูกันหน่อยว่ากันไปแล้ว มันก็ไม่ใช่ศัพพระพุทธศาสนาไม่ใช่คำพุทธแท้ด้วยซ้ำ ม, มน์มาจากไหนมน์คือมันตะมาจากบาลีว่ามันตะใช้กันมาแต่เดิมในคำพีทั้งหลายเป็นเรื่องของพวกรามพวกฤาษีตรงกับคำสันสกฤตว่ามันตระคือมันตระแล้วก็มน์ว่ากันตั้งแต่ดั้งเดิมมันตระคือมน์นี่ ในความหมายที่หนึ่งซึ่งเป็นความหมายหลักก็คือคำภีพระเวทที่เรียกว่าไตรเพศในพระไตรปิฎกมากหลายแห่งเมื่อกล่าวถึงพราหมญ่โตคนสาคัญที่มาเฝ้ามาสนทนามาโต้ตอบวาทากับพระพุทธเจ้าจะบอกว่าพราหมณ์นั้ น, น, นผู้เป็นอัจฉาิยโกมันตัทโรติณ น, นางเวทานางปารคูคือผู้คงแก่เรียนผู้ทรงมันตระหรือมนจบไตรเพศ อรถคถานมาไขความว่าหมายถึงอาถรรพะเวทแต่ก็มีคำภีที่อธิบายว่ามนหรือมันระนี้หมายถึงมูลเวทคือพระเวทดั้งเดิมส่วนทั้งฝ่ายสันสกฤตว่าคือตัวแท้ของพระเวทมนนั้นพวกพรามพวกฤาษีบางทีก็เอาเวสาบแช่งคนอื่นและก็มีมนที่เป็นคำคลังศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นมนสะกดคนสะกดสัตว์ต่างๆ จะให้คนอ้าปากค้างพูดไม่ออกจะให้ช้างเชื่องจะให้ช้างให้เสืออยู่ใต้อำนาจสามารถสั่งบังคับมันได้ก็รายมนสะกุมันคือมีมนขลังสารพัดเลยแล้วคนก็มาวุ่นอยู่กับเรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อำนาจไปไปมามาเมื่อไม่เอาความรู้ไม่เอาปัญญาเป็นหลักก็จะพากันเพลินไปจนหลงเข้ากระแสของไสยศาสตร์ ที่นี้ทําไมในพระพุทธศาสนาเราจึงมีการสวดมนต์หรือใช้คําว่าสวดมนต์ด้วยนี่ก็น่าคิดอย่างที่รู้กันพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นในชมพูทวีปในสมัยที่ศาสนาพราหมณ์เป็นใหญ่เรียกได้ว่าครอบงําสังคมทั้งหมดสภาพสังคมจนถึงบรรยากาศของสังคมเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์เช่นไม่ว่าจะไปไหนก็มีการสวดสังยายมนณ์ มีพิธีบูชายันมีการไหว้เทพเจ้าที่มีพระพรมเป็นใหญ่ถ้อยคำพูดจาของผู้คนก็มีความหมายตามความเข้าใจของคนที่อยู่ในศาสนาพราหมณ์มีอะไรต่ออะไรที่เป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ทั้งนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในสภาพอย่างที่ว่านั้นจะทำอย่างไรเราจะสอนอะไรแปลกใหม่ ก็ไม่มีสั์แสงถ้อยคําที่ผู้คนจะเข้าใจและจะทำอย่างไรถึงแม้ว่าเราจะมีคําใหม่ๆขึ้นมาเราก็ต้องเอาสั์ของเขามาใช้บ้างเป็นธรรมดาแต่คําอย่างของเขาที่เราใช้นั้นมีความหมายไม่เหมือนกับของเขาเราก็ต้องค่อยๆชี้แจงว่าคําเดียวกับเขาที่เราใช้นี่ไม่ใช่ความหมายอย่างของเขานะ นอกจากนั้นบ่อยครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำของพราหมเพื่อจะทรงสอนให้เขาเปลี่ยนความคิดความเข้าใจเสียใหม่คือให้เลิกคิดเรื่องนั้นๆในความหมายเก่าของเขาแต่ให้หันมาคิดมาทำอย่างใหม่ถ้อยคําสาคัญของพราหมที่เป็นหลักการใหญ่ของเขาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เขาคิดใหม่ทำใหม่เช่นในการบูชายัญของพรามเขาเอาแพะแกะบัวมาฆ่าบูชายัญ โดยเฉพาะผู้ครองแผ่นดินอย่างพระมหากษัตริย์ก็ทรงทําพิธีบูชายัญสําคัญอย่างอศวเมธี่ใหญ่ยิ่งก็ฆ่าม้าที่เยี่ยมยอดบูชายัญพร้อมทั้งฆ่าสารพัดพ่วงไปด้วยแต่ถ้าเป็นพิธีบูชายัญใหญ่ๆรองลงมาซึ่งทํากันบ่อยหน่อยก็ฆ่าวัวห้าร้อยแพะห้าร้อยแกะห้าร้อดังที่ท่านเล่าไว้บ่อยครั้งในพระไตรปิฎก ที่นี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเลิกบูชายันซึ่งมีเรื่องเล่าไว้มากในพระไตรปิฎกบางครั้งพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปพบกับพรามใหญ่ที่กำลังจะทำพิธีเช่นพรามเจ้าเมืองแห่งหนึ่งกำลังจัดเตรียมพิธีบูชายันเริ่มตั้งต้นแต่ให้จั บ, บวัวแพะแกะเอามาผูกกับหลักที่บูชายันพระพุทธเจ้าเสด็จตรงไปหาเจ้าเมืองผู้ทำพิธีนั้นแล้วก็ทรงสนทนาด้วย พระพุทธเจ้าตรัสบอกเขาว่ามีวิธีบูชายันที่ไม่ต้องทำอย่างนี้คือไม่ต้องทำให้ฆ่าทาตบริวารลำบากเดือดร้อนและสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ต้องเสียชีวิตถูกฆ่าถูกเฉือนแต่ได้ผลดีกว่าวิธีที่มีการฆ่าแบบนี้ซึ่งในยุคโบราณก่อนนั้นก็ได้มีมาแล้วเขาถามว่ามีอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกให้โดยสรุป พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนวิธีบูชายันด้วยการจัดการทรัพย์สินโดยให้ผู้ครองเมืองหรือผู้ครองแผ่นดินจัดตั้งแผนการจัดสรรทรัพย์โดยรวบรวมทุนแล้วก็จัดสรรแบ่งปันกระจายออกไปให้ทั่วถึงกันแก่คนทุกหมู่เหล่าผู้ทำหน้าที่การงานการอาชีพประเภทนั้นๆให้ทั่วจนถึงราษฎรยากจนทั้งแผ่นดินให้อยู่กันดีมีพอกินพอใช้พอใจ ที่จะได้ตั้งใจทําการงานอาชีพของตนของตนต่อไปเมื่อผู้ครองเมืองบูชายันแบบนี้ก็จะเกิดผลดีถึงขั้นที่เรียกว่าบ้านเรือนไม่ต้องลงกรอนให้บุรฟ้อนบนอกนี่เป็นสำนวนบาลีหมายความว่าถ้าทาพิธีบูชายันแบบนี้ประชาชนก็จะอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขถึงขั้นที่ว่าบ้านเรือนไม่ต้องลงกรอน หมายความว่าไปไหนก็ไม่ต้องใส่กุญแจบ้านเพราะไม่มีคนที่จะมาลักขโมยไม่มีโจรผู้ร้ายแล้วที่ว่าให้บุตรฟ้อนบนอกก็หมายความว่าในบ้านในครอบครัวจะมีความสุขถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องห่วงกังวลหวาดกลัวภัยอะไรอะไรสามารถเล่นกับลูกน้อยให้เขากระโดดโลดเต้นบนอกของพ่อแม่คนจะมีความสุขกันอย่างนี้ นี่คือการบูชายันตามคติของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ยันแบบรามแต่เป็นยันแบบพุทธผู้ปกครองจะต้องทำบ้านเมืองให้คนอยู่กันได้อย่างนี้เรื่องยันเนี่ยพระพุทธศาสนาสอนเยอะเพราะว่าพวกรามนั้นมีพิธีบูชายันทุกบ้านทุกรอบครัวและเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เริ่มวันใหม่กันเลย แต่ละบ้านต้องบูชายันประจําวันขาดไม่ได้และมีกำหนดว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงก็ทรงสอนให้เลิกทำหรือให้แก้ไขเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนอกจากการบูชายันก็ทรงยกเลิกระบบวันนะด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งที่ง่ายๆคือคำว่าทักษินา คำนี้เราก็เอาของพราหมณ์มาใช้เป็นบาลีว่าทักศินาทักศินาคือของตอบแทนที่มอบให้หรือถวายให้แก่พราหมณ์ผู้ทาพิธีบูชายันถ้าพูดอย่างไม่เกรงใจก็คือค่าจ้างทาพิธีบูชายันที่นี้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงให้เลิกพิธีบูชายันทักศินาก็เปลี่ยนมามีความหมายใหม่ หมายถึงสิ่งที่นำมาทำบุญด้วยใจศรัทธาที่เชื่อในบุญในกรรมในธรรมะความหมายเปลี่ยนใหม่แต่สิ่งของก็คล้ายคลกันคือเป็นของให้ของถวายเรื่องที่ว่าความหมายเปลี่ยนไปหลักการเปลี่ยนไปอย่างนี้มีตัวอย่างเยอะแยะทั่วไปคือคําเก่าเขาใช้มาเราเกิดมาในสภาพการอย่างนั้นก็เอาคาของเขามาใช้ แล้วก็ค่อยๆให้คนเข้าใจใหม่ให้ถูกต้อง